Thank you. ทช่างงามแม่งามดังเทวีรูปตรงโตทีเตือนรือดีมีวางไวแม่เดือนปะเกา เยนยดาวที่เรียงรายแต่เดือนยังเอียงอายเพียงพักเจ้าเราใจไปปันชวนมองเพลินเห็นเธอเดินนาฏกลายเชิดชั้นเมื่อสบตาสามหวัยหัวใจไหวหวานสุดจะพันละเมอมอง ข้างงามแม่งามดังยุงทองเลื่อมลายเรื่องรองลอยปลาล่องทันปองปูพัน นนชื่นบานดังวารีรูปโรมทั่วกายีเย็นฤดีมิลืมเลือนแมนบุญช่วยพาแก้วตายาแช่เชือี่นที่ปองเจ้าครองเรือนความรักเตือนกล่าวเลียรสุขสรร เป็นบุญพาแม่ได้มาชื่นชมเคียงกันสุดจะปลื้มเปล่มปรีเพราะมีใจมันมอบที่วันจนวันตายแม่บุญสมจริงรักจริงไม่คลาคลายจวบจนปาทลายคงรักใครฝันใจยังยืน